นี่ผมก็เลยมาก็เลยอยากอยากจะให้ผม 2497 ห่างไกล 3 กิโลเมตรที่แรกวัด ประมาณสัก 3 วันท่านก็เลยบอกว่ามียกข่าวๆชาวบ้านเลยไปนิมนต์ท่านๆ ฝายแห่งน้ําที่เหลืออยู่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ก็ 350 ไร่ผีจะดุหน่อยบางคน เล่ารูปพระพุทธเจ้าแล้วมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าแล้วเรากลัวอะไรคือเค้าลองเชิงนะพระปฏิบัติเนี่ยพอเข้า ท่านก็เป็นภราดรที่อยู่ทั่วไปท่านก็ได้ศึกษา เพราะฉะนั้นมากเรามีแต่หนีทุกข์เรา ลုံคงมั่นก็เลยแน่แนวการปฏิบัติของท่านตอน ตกเย็นมาหน่อยตอนนี้ประมาณทักษิณ 4:00 น. 19 ที่ปรากฏชาวบ้านเค้าก็จัดการเผาแล้วมัน กลัวพอกลัวจะจับมันแสลงใจต้องอาศัยกฎเราดีกว่ามรโคเบนิโคนั่ง อยู่ไปทำอะไรกันชุดมันเตือนดีนะนอนลงไปนี่ไปนาทีหรอตื่นขึ้นมาเองโดยอ่ะเสียงดัง สกใจใจนั่งไปนั่งไปพุทโธยึดพุทโธอย่างเดียวเออพอตื่นเช้ามาเออนอน อ๋อเมื่อคืนนี่ก็ไม่หลับทั้งคืนแล้วมึงเอามาอีกฮึว่าประจําใจเดินตัวปลือยู่แหละปวดเหี้ยจนอ่ะไม่เชื่อลองดูก็ได้อ้าว <laughs> ยื่นแรงด้วยมาเลยครับครับมาโอ้โหกูกี่ตัวใหญ่หัวนี่คงเท่ากระด้งแน่นอนตาของคงเท่าลูกมะพร้าวตาคงแดงลิ้นๆกด ตัวละตายมั้ยตายใครใครเออวะปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อคนทุกข์แล้วมีใครไม่ตายมะพระพุทธเจ้าก็ตายเราก็ต้องตายเออวะปฏิบัติเพื่อแหละตายใช่ตาย ตายตายเอาตายตายตายนั่งหลับตาตายลูกเดียวตัวนี้พอตายมีอะไรขึ้นมา หลอกให้รักก็ได้บอกให้เกียดก็ได้บอกให้หลงก็ได้สรรพัดมันสั่งการเราหมดก็ยังคิดว่าเป็นตัวเราอยู่นะถ้าไม่เชื่อๆ พอนั้นเสร็จพอเลิกกลัวผีเสร็จนั่งสมาธิสักหน่อยลมมันเลยนี่สู้สู้มาพัดกดปลิวเลยฝนสาดพรากพลากมาเปียกหมดพอเปียกหมดแค่นั้นน่ะนั่งร้องไห้เลยตอนนี้ชาวบ้านเค้ากินแล้วก็ยังนอนกับเมียหนังฤดูเราเป็นบ้าอะไรวะกูผี มันทุกข์ใจเลยมันทำไมวะร้องไห้อ่ะมันทุกข์อ่าพอทุกข์ไปทุกข์มาทุกข์ใช่มั้ยนี่เออทุกข์แล้วทุกข์นี่ไปร้องไห้กับมันทำไมล่ะมันหลอก ยิ่งอ่านประวัติหลวงปู่มั่นอย่างนี้ด้วยแล้วเลยตอนนี้กําลังยิ่งขึ้นเลยตอนนี้หลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาน่ะนักปฏิบัตินี่เอาผีนอนแล้วก็นั้นเรื่องนี้เรื่องผู้หญิงมั่งแล้วก็ไปลักแล้วตกนรกแล้วนรกอีกว่าเหมือนกันน่ะ แต่พอเข้าป่าเราต้องเข้าป่าแล้วมันอยู่นี่แหละหัดสู้ถ้ามั่งอ่ะครับเอานั่งพุทโธพุทโธนะครัวอ่าที่อยู่กับมันกลัว วันนี้หน่อยวันนี้หน่อยวันวันที่ 3 ไปนั่งที่หลุมเลยกางกด 2 3 วันมาแล้วมันก็กลัวอยู่อย่างนั้นไม่เห็น ขอนั่งหน่อยเด้อมาภาวนาหรอกเป็นเพื่อนกันเนาะหมดเลยเลยไม่กลัวเลยตอนนี้อ้าวหลวงปู่มั่นเหมือนเสร็จตอนสมัยที่ก่อนนี้ป่ามันเยอะใช่มั้ยมันไม่เหมือน น่ะออกเราแน่นอนเราจะมาทําไมพ่อแม่ก็ต้องรักเราเราจะไม่ตายเหรอก็ตายสิตายก็กลับเถอะไม่กลับเอ็งบอกว่ากลัวผีมาลูกพระพุทธเจ้ากรรมเคยตายเพราะเสือก็ให้มัน กลับถึกกลับถึกพ่อแม่เป็นห่วงไม่กลับตายเพราะเสือก็ให้มาตายดิวๆเดินมุ่งหน้าไปเลยดุ่ยๆไปเลยตอนนี้เข้าถ้ําไปไหนเอาตรงนี้เหรอวะปรากฏขึ้นมาเลยนั่งในโกรธผู้โทผู้โทตายก็มันตายตายเพราะเสือให้มาตายพอนั่ง <c oughs> กลัวที่สุดในโลกต้องมารวมที่นั่นหมดอ้าวถ้าเป็นพวกเราเราจะทําไงถ้า เพราะว่าการเข้าสมาธินี่ตามหลักแล้วนะครูบาอาจารย์ท่านสอนเล้นหนักมาถ้าเราเข้าสมาธิได้น่ะรวมเป็น อันนี้หลอกเราหลอกให้เรารักผู้ วันหลังมาเดินจงกลมพอเย็นๆหน่อยประมาณสัก 4-5:00 น. เดินก็ยาวหน่อยจากนู้น พอไม่กลัวเสียดสับเราก็พูดกับเสือเลยหลวงปู่มั่นเจ้านี่ถ้าเราเอาชนะตัวเองได้ ไม่เชื่อลองดูนะลองดูนะตอนนี้หลวงปู่ชานี่ท่านมาอยู่วัดหนองพะพงอยู่ใหม่ บวชพอมาอยู่บ้านน้องประพงใหม่ๆพาอยู่ด้วยกัน 4-5 ลูกเนนขันแล้วนอนในพระเหมือนกันที่ถูกลากขาเลย ยาปวดหายก็ไม่มีนะไฟฉายก็ไม่มีนะอย่าใช้อะไรใช้บอระเพ็ดนู่นเนี่ยไปเก็บมาไปนู่นๆ ตอนเด็กๆปวดปัสสาวะนี้จะลงจักกุฏิไปฉายทั้งหลายสัตว์ตัวใครตัวมันได้อยู่มันอยู่ใกล้น่ะลงมาแล้วจะมาเหยี่ยวท่านที่นั่นทั้งหลายปีงูก็ไม่เคยแต่จะถูกแต่กลัวชื่อผีไอ้ ไม่ใช่ธรรมดา 2 ปี 3 ปีเสร็จตะนี้กวนชาวบ้านดิกวนพระก็กวนผีไอ้ด่างมีจริงๆครบครบ อีเจนน่ะเองมันรู้เป็นควรสงฆ์ปุจฉาก็เลยพาหมอลงดูผีมั้ยโอ๊ยผมว่าไม่มี ที่ตัวนี้แหละด่านตัวนี้แหละที่ดึงขาพระขาเนนขาเนนี่ไม่ได้นอน วินทบาตตอนนี้ 5-6 องค์นี่ได้ข้าวเหนียวมานะแต่ก่อนน่ะไม่องค์มาได้กล้วยมาองค์ก็นะได้เกลือกับพริกนี่ดีใจค่อยๆจิ้มนะกลัวอ้าว แล้วบวชเพื่อพ้นทุกข์ทําไมต้องมากินมื้อเดียวให้มันทุกข์กินให้มันทุกข์เรารู้จัก ท่านเรียนรู้เรื่องภวินัยท่านจะกิจวัตรนี่มองๆๆหลวงๆนี่เดินโขกหักโขกหักไม่ คนอื่นเค้าทําสมาธิๆทําลายสมาธินั่นคือเงียบหลายก็เงียบมาตะ ปริญญาเอกปริญญาโทก็ตามเอาทิ้งไว้หน้าวัดนะอย่าแบกเข้ามาๆนะอ่าบางลูกเอ๋ยบวชให้นะลูกนะสึกออกไป หลวงปู่ว่าจะอยู่ไหวเหรอไหวครับมาลองดูนะหลวงๆคนหัวเนี่ยกราบ มันเงียบนานๆได้ยินเสียงนกเขาแมวฮู้ฮู้กุ้งบังเวรขอกราบพระๆๆๆๆทั้งคืนนอนไม่หลับพรุ่งนี้ วัดหนองปะผง 20 คนเหลือคนเดียวแต่ถ้าคนจะอยู่ไม่กลัวผีเหรอไม่ครับหลวงพ่อไม่ตายผมก็ไม่ตายครับเนนก็ยังไม่ตายเอออย่างงี้มันน่าฟัง ครับพระต้องล้างส้วมนะส้วมโยมก็ล้างนะขี้เค้าก็ขี้เราก็ขี้เดียว พอเวลาหลวงปู่ชานี่เวลาท่านส่งน้ํานิพพระนี่จะช่วยกันส่งน้ําให้คนนึงถูหลังคน เวรอะไรก็ซ่วมเมื่ออุปัชฌาย์วัดอคันตุคาวัดก็ต้องมีวัดบทวัด 14 ต้องให้มีอ่ะ 4 เดือนถ้าเธอไม่ตื่น 6 เดือนค่อยบวชถ้าขี้เกียจเธออย่ามาบวชเลยกลับบ้านซะทีนะ 4 เดือนพอ การวิธีเย็บให้ผขาวนะนี่ฝึกความอด ถ้าเราอดทนได้แล้วสึงออกไปเมียด่าเรา มาเย็บผ้าขาวเย็บผ้าขาวเป็นสบงจีวรเสร็จไปพาไปหาฟืนต้นไปฟันแก่นขนุนฟันทางกระหัวแล้ว พอน้ำแดงขึ้นมาก็ตักกรองใส่ใส่องค์เอาไว้ใส่องค์เอาได้ 4 กระทะเสร็จจนถึงขั้นเหลือครึ่งกระทะน้อยๆจึงมาย้อมเป็นผ้า พอต้องการถ้ายังไม่ได้เรื่องอยู่ก็ความอดทนตอนนี้เป็นสามเณร มาวัดแล้วจะให้ได้แต่คนมาวัดพระมาวัดมันก็ไม่ได้หมามันก็ต้องเข้ามาวัดด้วยเหมือนกันใช่มั้ยนี่เหมือนกันทีนี้วัดต้องพรพงค์เป็นมา <นะ. S 1> ยี่สิบคนดึงเหลือคนเดียวไงคนยังเหลือคนเดียวไงสนิภาหัดถวาย หัดกราบหัดประเคณบาทอย่าวางที่ทั่วนะบาทเราอาศัยเขาใช้ตกบูมแตกเราอาศัยคนอื่นเขาเลี้ยงเราต้องรู้จักเสร็จ ห้ามแขวนไว้ตามต้นไม้ของทุกอย่างสันโดษและเกียมระเบียบนั่งย่อนขาฉัน อย่าเราจะเป็นพระหัดเป็นพระกระพุ้งนั่งเคยยืนปฐวะนั่งเคยพูดเสียงดังลดลงเคยพูดไม่เผาะครับผมหัดอักสอนไปทีละอย่างเฉยๆนะหลวง ถ้าเจ้าอารวาทไม่ทําแล้วเขาจะเชื่อถือเหรอใช่ ร่วมมองดูสมภารให้ดูเนนพระเนนขี่ดื้อ ถ้าท่านทั้งหลายเอามาอ่านเสร็จท่านจะเข้าใจเลยว่าโอ้โหฉันนี่อร่อยนักห้ามเลียเข้าไม่ถึงปากห้ามอ้าฉันอย่าฉันขอด พอตักเสร็จดังป่องไม่มีมารยาทนะ